โยนิโสมนาสิการวิธีที่แปดวิธีคิดแบบเร้ากุศลวิธีคิดแบบปลุกเราก้าคุณธรรมอาจเรียกง่ายๆว่าวิธีคิดแบบเร้ากุศลหรือคิดแบบกุศลภาวนาเป็นวิธีคิดในแนวสกัดกั้นหรือบรรเทาและขัดกลาตันหาจึงจัดได้ว่าเป็นข้อปฏิบัติระดับต้ น, ตน สำหรับส่งเสริมความเจริญงอกงามแห่งกุศลธรรมและสร้างเสริมสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกียะหลักการทั่วไปของวิธีคิดแบบนี้มีอยู่ว่าประสบการณ์คือสิ่งที่ได้ประสบหรือได้รับรู้อย่างเดียวกันบุคคลผู้ประสบหรือรับรู้ต่างกันอาจมองเห็นและคิดนึกปรุงแต่งไปคนละอย่างสุดแต่โครงสร้างของจิตหรือแนวทาง ความเคยชินต่างๆที่เป็นเครื่องปรุงของจิตคือสังขารที่ผู้นั้นสั่งสมไว้หรือสุดแต่การทําใจในขณะนั้นๆของอย่างเดียวกันหรืออาการกิริยาเดียวกันคนหนึ่งมองเห็นแล้วคิดปรุงแต่งไปในทางดีงามเป็นประโยชน์เป็นกุศลแต่อีกคนหนึ่งเห็นแล้วคิดปรุงแต่งไปในทางไม่ดีไม่งาม เป็นโทษเป็นอกุศลแม้แต่บุคคลคนเดียวกันมองเห็นของอย่างเดียวกันหรือประสบอารมณ์อย่างเดียวกันแต่ต่างขนาดต่างเวลาก็อาจคิดเห็นปรุงแต่งต่างออกไปครั้งละอย่างกล่าวหนึ่งร้ายกล่าวหนึ่งดีทั้งนี้โดยเหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้วการทำใจที่ช่วยตั้งต้นและชักนำความคิด ให้เดินไปในทางที่ดีงามและเป็นประโยชน์เรียกว่าเป็นวิธีคิดแบบอุบายปลุกร้าคุณธรรมหรือโยนิโสมนสิการแบบเร้ากุศลในที่นี้โยนิโสมนสิการแบบเร้ากุศล น, นี้มีความสำคัญทั้งในง่ที่ทำให้เกิดความคิดและการกระทำที่ดีงามเป็นประโยชน์ในขณะนั้นๆและในง่ที่ช่วยแก้ไขนิสัยความเคยชินร้ายๆของจิตที่ได้สังสมไว้แต่เดิม พร้อมกับสร้างนิสัยความเคยชินใหม่ๆที่ดีงามให้แก่จิตไปในเวลาเดียวกันด้วยในทางตรงข้ามหากราศจากอุบายแก้ไขเช่นนี้ความคิดและการกระทําของบุคคลก็จะถูกชักนำให้เดินไปตามแรงชักจูงของความเคยชินเก่าๆที่ได้สังสมไว้เดิมเพียงอย่างเดียวและช่วยเสริมความเคยชินอย่างนั้นให้มีกาลังแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยไป ตัวอย่างง่ายๆอย่างหนึ่งที่มาในคำภีคือความคิดถึงความตายถ้ามีอายุนิโสมนาสิการคือทาใจหรือคิดไม่ถูกวิธีอกุศลธรรมก็จะเกิดขึ้นเช่นคิดถึงความตายแล้วสลดหดหูเกิดความเศร้าความเหี่ยวแห้งใจบ้างเกิดความหวั่นกลัวหวาดเสียวใจบ้างตลอดจนเกิดความดีใจ เมื่อนึกถึงความตายของคนที่เกลียดชังบ้างเป็นต้นแต่ถ้ามีโยนิโสมณสิการคือทำใจหรือคิดให้ถูกวิธีก็จะเกิดกุศ ล, ลธรรมคือเกิดความรู้สึกตื่นตัวเร้าใจไม่ประมาทเร่งขวนขวายปฏิบัติคิดหน้าที่ทำสิ่งดีงามเป็นประโยชน์ประพฤติปฏิบัติธรรมตลอดจนรู้เท่าทันความจริงที่เป็นคติธรรมดาของสังขาร ท่านกล่าวว่าการคิดถึงความตายอย่างถูกวิธีจะประกอบด้วยสติคือความคุมคงใจไว้หรือมีใจอยู่กับตัวระลึกรู้ถึงสิ่งที่พึงเกี่ยวข้องจัดทาสังเวคะหรือคำไทยว่าสังเวทความรู้สึกร้าใจได้คิดและสำนึกที่จะเร่งรีบทำการที่ควรทำและยาน ความรู้เท่าทันธรรมดาหรือรู้ตามเป็นจริงคำว่าสังเวคะหรือความสังเวชตามความหมายเดิมนี้ไม่สูตรงกับที่เข้าใจกันในภาษาไทยดังที่ได้เคยชี้แจงที่อื่นแล้วนอกจากนั้นท่านได้แนะนำอุบายแห่งโยนิโสมนสิการเกี่ยวกับความตายไว้หลายอย่าง แม้ในพระไตรปิฎกก็มีตัวอย่างง่ายๆที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงบ่อยๆคือเหตุปรารรพหรือเรื่องราวกรณีอย่างเดียวกันคิดมองไปอย่างหนึ่งทำให้เกียรคร้านคิดมองไปอีกอย่างหนึ่งทำให้เกิดความเพียรพยายามดังความในพระสูตรว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องของคนเกียจคร้านคือกุสีตาวัตถุ 8อย่างเหล่านี้8ดอย่างคืออะไรหนึ่งภิกษุมีงานที่จะต้องทำเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเรามีงานที่จะต้องทำเมื่อเราทำงานร่างกายก็จะเหนี่ยเหนื่อยอยากระนั้นเลยเรานอนเอาแรงซสงก่อนเถิดคิดดังนี้แล้วเธอก็นอนเสียไม่เริ่มระดมความเพียรเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อเข้าถึงธรรม ที่ยังไม่เข้าถึงเพื่อประจักษ์แจ้งธรรมที่ยังไม่ประจักษ์แจ้ง 2. อ, อีกประการหนึ่งภิกษุทางานเสร็จแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราได้ทางานเสร็จแล้วและเมื่อเราทางานร่างกายก็เหน็ดเหนื่อยแล้วอยากระนั้นเลยเราจะนอนพักละ่ะคิดดังนี้แล้วเธอก็นอนเสีย ที่นี้ท่านละไว้ในฐานที่เข้าใจประโยคข้างหลังเหมือนกันทั้งหมดทุกข้อนะครับ 3. อีกประการหนึ่งภิกษุจะต้องเดินทางเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะต้องเดินทางเมื่อเราเดินทางร่างกายก็จะเหน็ดเหนื่อยอยากกระนั้นเลยเรานอนเอาจ้างซะก่อนเถิดคิดดังนี้แล้วเธอก็นอนเสีย 4. อีกประการหนึ่งภิกษุเดินทางเสร็จแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราได้เดินทางเสร็จแล้วและเมื่อเราเดินทางร่างกายก็เหน็ดเหนื่อยแล้วอยากกระนั้นเลยเราจะนอนพักละคิดอย่างนี้แล้วเธอก็นอนเสีย 5. าอีกประการหนึ่งภิกษุเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือตามชุมชน ไม่ได้โพชนาอย่างหมองหรือปราณีเต็มตามต้องการเธอมีความคิดว่าเราเที่ยวบินบาตามหมู่บ้านหรือตามชุมชนไม่ได้โภชนาอย่างมองหรือปราณีเต็มตามต้องการร่างกายของเราก็เหน็ดเหนื่อยไม่เหมาะแก่งานอยากกระนั้นเลยเราจะนอนพักละคิดดังนี้แล้วเธอก็นอนเสียก อีกประการหนึ่งภิกษุเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือตามชุมชนได้โภชนะอย่างมองหรือพระนี่เต็มตามต้องการเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือตามชุมชนได้โภชนะอย่างมองหรือพระนี่เต็มตามต้องการแล้วร่างกายของเราหนักอึ้งเป็นเหมือนแดงถั่วหมักไม่เหมาะแก่การงานอยากกระนั้นเลยเรานอนเสียเถิดคิดดังนี้แล้วเธอก็นอนเสีย อีกประการหนึ่งภิกษุเกิดมีอาพาธเล็กๆน้อยๆเธอมีความคิดดังนี้ว่าเราเกิดมีอาพาธเล็กน้อยขึ้นแล้วมีเหตุผลสมควรที่จะนอนได้อย่างนั้นเลยเรานอนพักเสียเถิดคิดดังนี้แล้วเธอก็นอนเสีย 8. อีกประการหนึ่งภิกษุหายป่วยปืนจะไข้ไม่นาน เธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราหายป่วยฟื้นจากไข้ยังไม่นานร่างกายของเรายังอ่อนแอไม่เหมาะแก่งานอยากกระนั้นเลยเรานอนเสียเถิดคิดดังนี้แล้วเธอก็นอนเสียไม่เริ่มระดมความเพียรเพื่อบรรลุ ธ, ธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อเข้าถึงธรรมที่ยังไม่เข้าถึงเพื่อประจักษ์แจ้งธรรมที่ยังไม่ประจักษ์แจ้ง กรณีเดียวกันทั้งหมดนี้คิดอีกอย่างหนึ่งหลับทําให้เริ่มระดมความเพียรท่านเรียกว่าเรื่องที่จะเริ่มระดมเพียรคืออารับพระวัตถุแสดงไว้แปดข้อเหมือนกันใจความดังนี้ภิกษุทั้งหลายเรื่องที่จะให้เร่งเพียรคืออารับพระวตถุแปดอย่างเหล่านี้แปดอย่างคืออะไรหนึ่ง กรณีจะต้องทำงานภิสุจคิดว่าเรามีงานที่จะต้องทำและขณะเมื่อเราทำงานการมนสิการคำสอนของพระพุท ธ, ธทั้งหลายก็จะทำไม่ได้ง่ายอยากไรนั้นเลยเราเริ่มระดมความเพียรเสียก่อนเถิดเพื่อจะได้บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อเข้าถึงธรรมที่ยังไม่เข้าถึงเพื่อประจักษ์แจ้งธรรมที่ยังไม่ประจักษ์แจ้งคิดดังนี้แล้วภิสูุนั้น ก็จึงเร่งระดมความเพียร 2. กรณีทำงานเสร็จภิกษุคิดว่าเราได้ทำงานเสร็จแล้วก็แลกขณะเมื่อทำงานเรามิได้สามารถมนรณสิการคำสอนของพระพุท ธ, ธทั้งหลายอยากระนั้นเลยเราเริ่มระดมความเพียรเถิด 3. กรณีจะต้องเดินทางภิกษุคิดว่า เราจะต้องเดินทางและขณะเมื่อเราเดินทางเรามานัสิการคําสอนของพระพุทธทั้งหลายก็จะทําไม่ได้ง่ายอยากกระนั้นเลยเราเริ่มระดมความเพียรซะก่อนเถิด 4. กรณีเดินทางแล้วภิกษุคิดว่าเราเดินทางเสร็จแล้วก็แลขณะเมื่อเดินทางเราไม่ได้สามารถมนัสิการคําสอนของพระพุทธทั้งหลายอยากกระนั้นเลย เราเริ่มระดมความเพียรเถิดห้ากรณีบินธบาตไม่ได้อาหารเต็มต้องการภิกษุคิดว่าเราเที่ยวบินธบาตตามหมู่บ้านหรือตามนิคมไม่ได้โภชนะอย่างหมองหรือพระนีเต็มตามต้องการร่างกายของเราก็คล่องเบาเหมาะแก่งานอย่ากระนั้นเลยเราเริ่มระดมความเพียรเถิด กรณีบินทบาทได้อาหารเต็มต้องการภิกษุคิดว่าเราเที่ยวบินธบาศตามหมู่บ้านหรือตามชุมชนได้โภชนะอย่างหมองหรืออย่างปราณีเต็มตามต้องการแล้วร่างกายของเราคล่องเบาเหมาะแกง่งานอยากกระนั้นเลยเราเริ่มระดมความเพียรเถิด 7. กรณีเกิดอาพาธเล็กน้อยภิกษุคิดว่าเราเกิดมีอาพาธเล็กๆน้อยๆขึ้นแล้ว เป็นไปได้ที่อาพาธของเราอาจหนักขึ้นอย่ากระนั้นเลยเราเริ่มระดมความเพียรซะก่อนเถิดแปดกรณีหายอาพาธภิกษุคิดว่าเราหายป่วยยังฟื้นจะไข่ไม่นานเป็นไปได้ที่อาพาธอาจหวนกลับเป็นใหม่อีกอย่ากระนั้นเลยเราเริ่มระดมความเพียรซะก่อนเถิด ในกรณีที่ความคิดอกุศลเกิดขึ้นแล้วท่านก็แนะนำวิธีแก้ไขไว้และวิธีแก้ไขนั้นส่วนมากก็ใช้วิธีโยนิโสมนสิการแบบรากอกุศลนั่นเองดังตัวอย่างในวิตตกาสันทานสูตรพระพุทธเจ้าทรงแนะนำหลักทั่วไปในการแก้ความคิดอกุศลไว้ห้าขั้นมีใจความว่าถ้าความคิดความดาริที่เป็นบาปเป็นอกุศล ประกอบด้วยชันทะซึ่งในที่นี้หมายถึงตัณหาชันทะคือราคะหรือโลภะถ้าความคิดความดาริที่เป็นบาปเป็นอกุศลประกอบด้วยชันทะหรือโทสะหรือโมหะก็ตามเกิดมีขึ้นอาจแก้ไขได้ดังนี้ 1. มณศสิการคือคิดนึกใส่ใจถึงสิ่งอื่น ที่ดีงามเป็นกุศลหรือหาเอาสิ่งอื่นที่ดีงามมาคิดนึกใส่ใจแทนเช่นนึกถึงสิ่งที่ทำให้เกิดเมตตาแทนสิ่งที่ทำให้เกิดโทสะเป็นต้นถ้าปฏิบัติอย่างนี้แล้วยังไม่หายสองพึงพิจารณาโทษของความคิดที่เป็นอกุศลเหล่านั้นว่าไม่ดีไม่งามก่อผลร้าย นำความทุกข์มาให้อย่างไรอย่างไรถ้ายังไม่หายสพึงใช้วิธีต่อไปคือไม่คิดถึงไม่ใส่ใจถึงความคิดชั่วร้ายที่เป็นอกุศลนั่นเลยเหมือนคนไม่อยากเห็นรูปอะไรที่อยู่ต่อตาก็หลับตาเสียหรือหันไปมองทางอื่นถ้ายังไม่หายสี่ พึงพิจารณาสังขารสันฐานของความคิดเหล่านั้นคือจับเอาความคิดนั้นมาเป็นสิ่งสำหรับศึกษาในแง่ที่เป็นความรู้ไม่ใช่เรื่องของตัวตนว่าความคิดนั้นเป็นอย่างไรเกิดจากมูลเหตุปัจจัยอะไรถ้ายังไม่หาย 5. พึงคบฟันเอาลิ้นดุลเพดานอธิษฐานจิตคือตั้งใจแน่วแน่เด็ดเดียว ข่มใจระ ง, งับความคิดนั้นเสียบางแห่งท่านแนะนำวิธีปฏิบัติสำหรับแก้ไขความคิดอกุศลเฉพาะอย่างไว้ก็มีเช่นแห่งหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสแนะนำวิธีแก้ไขกำจัดความอาฆาตไว้ว่าอาฆาตเกิดขึ้นต่อบุคคลใดพึงเจริญเมตตาที่บุคคล น, นั้น พึงเจริญการุณาพึงเจริญอุเบกขาที่บุคคลนั้นหรือพึงไม่คิดถึงไม่ใส่ใจถึงบุคคล น, นั้นหรือตั้งความคิดต่อ บ, บุคคล น, นั้นตามหลักแห่งความที่แต่ละคนมีกรรมเป็นของตนว่าท่านผู้นี้มีกรรมเป็นของของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นที่กาเนิดเป็นพวกพ้องเป็นที่พึ่งพานักเขาทากรรมใดดีก็ตามชั่วก็ตาม ก็จักเป็นทายาทของกรรมนั้นอันหนึ่งพระสารีบุตรได้แนะนำวิธีแก้ไขกาจัดอาคาตคือความอึดอัดขัดใจแค้นเคืองไว้อีก5อย่างโดยให้รู้เข้าใจความจริงเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างบุคคลว่าบางคนความประพฤติ ท, ทางกายไม่เรียบร้อยหมดจดแต่ความประพฤติ ท, ทางวาจา เรียบร้อยหมดจดก็มีบางคนความประพฤติทางวาจาไม่เรียบร้อยหมดจดแต่ความประพฤติทางกายเรียบร้อยหมดจดก็มีบางคนความประพฤติทางกายไม่เรียบร้อยหมดจดความประพฤติทางวาจาไม่เรียบร้อยหมดจดก็มีแต่ทางใจยังปลอดโปร่งผ่องใสดีงามได้เป็นครั้งคราวบางคนความประพฤติทางกายก็มีเรียบร้อยหมดจดความประพฤติทางวาจาก็มีเรียบร้อยหมดจด ใจก็ไม่ได้ช่องโอกาสที่จะดีงามผ่องใสเป็นครั้งคราวบ้างเลยบางคนความประพฤติทางกายก็เรียบร้อยหมดจดดีความประพฤติทางวาจาก็เรียบร้อยหมดจดดีใจก็ดีงามผ่องใสได้เรื่อยๆข้อที่1สําสำหรับคนที่เสียด้านความประพฤติอาการกิริยาทางกายแต่ความประพฤติการแสดงออกทางวาจาเรียบร้อยดี เมื่อจะแก้ไขกําจัดอาคาตนั้นไม่พึงมณสิการคือสายใจคิดถึงความประพฤติไม่ดีทางกายของเขาพึงมณสิการเฉพาะแต่ความประพฤติดีงามทางวาจาของเขาเปรียบเหมือนภิกษุผู้ถือทุดงครองผ้าบางสุกุลเดินไปพบเศษผ้าเก่าบนท้องถนนเธอเอาเท้าซ้ายกดและเอาเท้าขวาคลี่ผ้านั้นออกส่วนใดยังดีใช้ได้ก็ฉีกเอาแต่ส่วนนั้นไป ข้อที่2สําหรับคนที่เสียทางด้านความประพฤติหรือการแสดงออกทางวาจาแต่ความประพฤติทางกายเรียบร้อยดีในเวลานั้นก็ไม่พึงมานัสิการถึงการที่เขามีความประพฤติเสียทางวาจาพึงมานัสิการแต่การที่เขามีความประพฤติทางกายเรียบร้อยดีเปรียบเหมือนสะโบกขรณีมีสาหรายจอกแหนะคลุมเต็มไปหมดคนเดินทางร้อนแดดเหน็ดเหนื่อย หิวกระหายมาถึงเข้าพึงลงไปยังสะโบกกรณีนั้นแล้มือทั้งสองแหวกสาหรายจอกแหนออกแล้วกระพุ่มมือกอบแต่น้ำขึ้นมาดื่มแล้วเดินทางต่อไปข้อที่สาสำหรับคนที่เสียทั้งความประพฤติทางกายและการแสดงออกทางวาจาแต่ใจรู้จักปลอดโปร่งดีงามผ่องใสเป็นครั้งคราวในเวลานั้น ไม่พึงมนาสิการที่เขามีความประพฤติทางกายและวาจาที่เสียหายพึงมนาสิการแต่การที่เขามีจิตใจเปิดช่องผ่องสายดีงามได้เป็นครั้งคราวเปรียบเหมือนมีน้ําขังอยู่เล็กน้อยในรอยเท้าโคคนผู้หนึ่งเดินทางร้อนแดดเหน็ดเหนื่อยหิวกระหายมาถึงเข้าเขาคิดว่าน้ําในรอยเท้าโคนี้มีเพียงนิดหน่อยถ้าเราเอามือกัก หรือใช้ภาชนะตักดื่มน้ำก็จะกระเพื่อมและขุนคลากขึ้นถึงกับทาให้ใช้ดื่มไม่ได้ถ้ากระไรเราควรลงนั่งคุกเขา่าเอามือยันก้มลงเอาปากดื่มอย่างวัวเถิดเข้าคิดดังนั้นแล้วก็ลงนั่งคุกเขา่าเอามือยันก้มลงทาอย่างโคเอาปากดื่มน้ำเสร็จแล้วก็หลีกไป ข้อที่สี่สำหรับคนที่เสียทั้งความประพฤติทางกายและการแสดงออกทางวาจาอีกทั้งจิตใจก็ไม่ปลอดโปร่งดีงามผ่องใสเป็นครั้งเป็นคราวได้เลยในเวลานั้นควรตั้งความเมตตาการุณาความคิดอนุเคราะห์ช่วยเหลือต่อเขาโดยคิดว่าโอ้หนอขอให้ท่านผู้นี้ละกายทุจริตบำเพ็ญกายสุจริตได้เถิดขอให้ละวัจีทุจริต บำเพ็ญว จ, จีสุจริตได้เถิดขอให้ละมโนสุจริตบำเพ็ญมโนสุจริตได้เถิดขอท่านผู้นี้อย่าได้ตายไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกเลยเปรียบเหมือนคนเจ็บไข้ได้ทุกป่วยหนักกำลังเดินทางไกลหมู่บ้านข้างหน้าก็ยังไกลหมู่บ้านข้างหลังก็อยู่ไกลเขาไม่อาจได้อาหารที่เหมาะไม่อาจได้ยาที่เหมาะไม่อาจได้คนพยาบาลที่เหมาะ ไม่อาจาได้คนพาไปสู่ละแวกบ้านมีคนผู้หนึ่งเดินทางไกลามาเห็นเข้าเขาพึงเข้าไปตั้งความเมตตาการุณาความอนุเคราะห์ช่วยเหลือแก่คนที่เจ็บไข้นั้นด้วยความคิดว่าโอ้หนอขอให้คนผู้นี้พึงได้อาหารที่เหมาะเถิดพึงได้ยาที่เหมาะเถิดพึงได้คนพยาบาลที่เหมาะเถิดพึงได้คนพาไปสู่ละแวกบ้านที่เหมาะิดขออย่าให้คนผู้นี้ ต้องถึงความพินาศเสียนที่นี้เลยข้อที่หําสำหรับคนที่ดีทั้งความประพฤติทางกายทั้งความประพฤติทางวาจาก็เรียบร้อยจิตใจก็ปลอดโปร่งดีงามผ่องใสอยู่เรื่อยๆตามการเวลาสำหรับคนเช่นนี้ควรมนัสสิการทั้งการที่เขามีความประพฤติทางกายเรียบร้อยหมดจดทั้งการที่เขามีความประพฤติทางวาจาเรียบร้อยหมดจด และทังการที่เขาได้มีจิตใจปลอดโปร่งดีงามผ่องใสอยู่เรื่อยๆซึ่งนับว่าเป็นคนหน้าเลื่อมใสทั่วทุกอย่างรอบด้านพาให้คนที่มนนาซิการมีจิตใจผ่องใสด้วยเปรียบเหมือนสระบกรุกคราญีมีน้ําใสเห็นแจ๋วเย็นฉ่ำหน้าชื่นใจชายฝั่งบริเวณก็ราเรียบหน้ารื่นรมปกคลุมด้วยหมู่ไม้นานาพันธุ์ราวหนึ่ง บุรุษหนึ่งเดินทางร้อนแดดถูกความร้อนแผดเผาเหน็ดเหนื่อยหิวกระหายมาถึงเข้าเข้าลงไปยังสะบวกรณีนั้นทั้งอาบทั้งดื่มแล้วขึ้นมาจะนั่งก็ได้นอนก็ได้ภายใต้ร่มไม้ที่ชายฝั่งสะนั้นคำพีวิสุทธิมักแสดงอุบายในการมนัสสิการเพื่อแก้ไข ความคิดแค้นเคืองขัดใจไว้อีกหลายอย่างสรุปได้เป็นขั้นตอนต่างๆซึ่งพึงเลือกใช้ตามที่เหมาะกับอุปนิสัยของบุคคลซึ่งคำพีวิสุทธิมักบรรยายเรื่องนี้ไว้เพราะเป็นส่วนหนึ่งแห่งการเจริญเมตตาโร ม, มิหารซึ่งเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งแม่อุบายในการมนสิการเกี่ยวกับกรรมฐานอย่างอื่นเช่นอสุภะและาธาตุมนสิกาเป็นต้นท่านก็แสดงไว้มากเช่นเดียวกัน อันหนึ่งเพิ่งสังเกตด้วยว่าวิธีมนัสิการหน้าที่นี้ท่านแสดงสำหรับพระภิกษุแต่ข้ารือหัดก็อาจพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะกับตนได้วิธีระ ง, งับความโกรธข้อที่หนึ่งระลึกถึงพุทธโอวาทที่สอนให้ระ ง, งับความโกรธและให้มีเมตาตาตักเตือนตนเองว่าการยังมัวโกรธอยู่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 และช่วยเหนี่ยวรั้งหรือดึงให้กลับมาตั้งต้นในแนวทางของโยนิโสมนัสิกานได้ใหม่จึงเป็นองค์ธรรมที่ผู้มีโยนิโสมนัสิกานจะต้องใช้อยู่เรื่อยไปอนหนึ่งโยนิโสมนสิการแบบต่างๆซึ่งสรุปได้เป็นสองคือโยนิโสมนัสิการเพื่อความรู้ตามสภาวะและโยนิโสมนัสิกาน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 ขึ้นต่อความจริงที่เป็นไปอยู่ตามธรรมดาจึงมีลักษณะนแน่นอนเป็นอย่างเดียวส่วนโยนิโสมนสิการเพื่อเสริมสร้างกุศ ล, ลธรรมยังเป็นเรื่องของการปรุงแต่งในใจตามวิสัยของสังขารจึงมีลักษณะแผกผันไปได้หลากหลาย